เลขสิบอย่างสามชื ah. ่อว่าเลขในคําว่าอ้างเอาบางส่วนเป็นเลขอธิบายว่าเลขมีสิบอย่างได้แก่เลขคือชาติกําเนิดหนึ่งเลขคือชื่อหนึ่งเลขคือตระกูลหนึ่งเลขคือรูปลักษณ์หนึ่งเลขคืออาบัติหนึ่งเลขคือบาทหนึ่งเลขคือจีวรหนึ่งเลขคือพระอุปัชาหนึ่งเลขคือพระอาจารย์หนึ่งเลขคือเสนาสนะหนึ่ง อธิบายเลย่ห์สิบอย่าง395ชื่อว่าเล่ห์คือชาติกําเนิดอธิบายว่าภิกษุผู้โจอธได้เห็นภิกษุผู้เป็นวรรณากษัตริย์ต้องอบัตปาราชิกครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นวรรณากษัตริย์จึงโจอธว่าข้าพเจ้าเห็นภิกษุผู้เป็นวรรณากษัตริย์ต้องอบัตตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสกยบุตรท่านร่วมบุโบสถ ภาวนาหรือสังกรรมไม่ได้ต้องอบัตสังฆาธิเศตทุกๆคําพูดภิกษุผู้โจอธได้เห็นภิกษุผู้เป็นวรรณพราหมณ์เห็นภิกษุผู้เป็นวรนนะแพทย์เห็นภิกษุผู้เป็นวันนะสูตรต้องอบัตปาราชิกครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นวรรณะสูตรจึงโจอว่าข้าพเจ้าเห็นภิกษุผู้เป็นวรนนะสูตรต้องอบัตปาราชิกท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายศักยบุตรต้องอบัตสังฆาธิเศตทุกๆคําพูด 396อาชื่อว่าเลขคือชื่ออธิบายว่าภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นพระพุทธรักิตะได้เห็นพระธรรมรักิตะได้เห็นพระสังขรคกิตะต้องอบัติปาราชิกครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้ชื่อว่าสังขรคกิตะจึงโจทย์ว่ากราพเจ้าเห็นพระสังขรกิตะต้องอบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายศักยบุตร ต้องอบัตรสังคาที่เศษทุกๆคำพูด397ชื่อว่าเลตคือตระกูลอธิบายว่าภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุในตระกูลโคตมะได้เห็นภิกษุในตระกูลโมคลานะได้เห็นภิกษุในตระกูลกัจจายนะได้เห็นภิกษุในตระกูลวาสิทธะต้องอบัตรปาราชิกขันเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งในตระกูลวาสิทธะจึงโจทย์ว่าข้าพเจ้าเห็นภิกษุในตระกูลวาสิทธะ ต้องอบัตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยะบุตรต้องอบัติสังฆธิเสศทุกๆคําพูด398เชื่อว่าเลตคือรูปลักษณ์อธิบายว่าภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุสูงได้เห็นภิกษุต่ําได้เห็นภิกษุผิวดําได้เห็นภิกษุผิวขาวต้องอบัติปาราชิกท่านเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้มีผิวขาวจึงโจทย์ว่าพระเจ้าเห็นภิกษุผิวขาวต้องอบัติปาราชิกแล้ว ท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสากยบุตรต้องอบัตสังฆาทิเศษทุกๆคำพูด399ชื่อว่าเล่คืออบัตอธิบายว่าภิกษุผู้โจทย์เห็นภิกษุต้องอบัตเบาท่าโจทย์ภิกษุนั้นด้วยอบัตปาราชิกข้าพเจ้าเห็นท่านต้องอบัตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสากยบุตรต้องอบัตสังฆาธิเศษทุกๆคำพูดส ชื่อว่าเลดคือบาทอธิบายว่าภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุใช้บาทโลหะได้เห็นภิกษุใช้บาทดินเหนียวได้เห็นภิกษุใช้บาทเคลือบได้เห็นภิกษุใช้บาทดินธรรมดาต้องอบัติปาราชิกครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งใช้บาทดินธรรมดาจึงโจทย์ว่าข้าพเจ้าเห็นภิกษุใช้บาทดินธรรมดาต้องอบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักขยบุตรต้องอบัติสังฆทิเสตทุกๆคำพูด40่หนึ่ง ชื่อว่าเลศคือจีวร อ, อธิบายว่าภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุผู้ใช้ผ้าบังสุกุลเห็นภิกษุผู้ใช้ผ้าข้าหบดีต้องอบัตปาราชิกครั้นได้เห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้ใช้ผ้าข้าหบดีจึงโจทย์ว่าเขาพระเจ้าได้เห็นภิกษุผู้ใช้ผ้าของข้าหบดีต้องอบัตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักยบุตรต้องอบัตสังฆาทิเศตทุกๆคำพูด4สอง ชื่อว่าเล่ตคือพระอุปัชาอธิบายว่าภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุผู้เป็นสัตธิวิหาริกของพระอุปชาชื่อนี้ต้องอบัติปาราชิกขันเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งเป็นผู้สัตธิวิหาริกของพระอุปัชาชื่อนี้จึงโจทย์ว่าข้าพเจ้าเห็นภิกษุเป็นสัทธิวิหาริกของพระอุปัชาชื่อนี้ต้องอบัติปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะไม่เป็นเชื้อสายสักกยบุตร ต้องอบัตสังฆาทิเศตทุกๆคําพูด403ชื่อว่าเลธคืออาจารย์อธิบายว่าภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุผู้เป็นอันเตวาสิก ข, ของพระอาจารย์ชื่อนี้ต้องอบัตปาราชิกคท่้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งผู้เป็นอันเตวาสิก ข, ของพระอาจารย์ชื่อนี้จึงโจทย์ว่าข้าพาเจ้าเห็นภิกษุผู้เป็นอันเตวาสิก ข, ของพระอาจารย์ชื่อนี้ต้องอบัตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายสา ก, กยบุตรต้องอบัตสังฆาธิเศตทุกๆคำพูด404ชื่อว่าเลดคือเสนาสนะอธิบายว่าภิกษุผู้โจทย์ได้เห็นภิกษุอยู่ในเสนาสนะชื่อนี้ต้องอบัตปาราชิกครั้นเห็นภิกษุอีกรูปหนึ่งอยู่ในเสนาสนะชื่อนี้จึงโจทย์ว่าข้าพเจ้าเห็นภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะชื่อนี้ต้องอบัตปาราชิกแล้วท่านไม่เป็นสมณะ ให้เป็นเชื้อสายสากะยะบุตรท่านร่วมอุโบสถประวัณนาหรือสังฆกรรมไม่ได้ต้องอบัตสังฆาทิเศษทุกๆคำพูด